อยู่ในความสงบเด้๋ยววันนี้เนี่ลูกลานนะเนอะ อ, อย่าไปทายลูกถ้าทายลูบมันแฟดเข่าตาลงพอ่อพอแฟดเข่าตานั่นมันเสียสมาธิในการพูดอยู่ในความสงบนิ่งนั่นที่ปีโหนพวกเขา้าในมาพบมาเจอกันบอเป็นมาพบคู ม, มือวันนะั้นตั้งใจฟัง่งว่าลงพ่อสีบอกอยังให้ฟังฟ่งเฮาฟั่งแนวอื่นเขาฟั่งมาพอแห้งแล้ว เสียงหลองร่าทําเพ่งเสียงด่ากันบ่นจะเป็นเสียงยังต่อเสียงยังจนล่างหูบวัชบวายแต่บาดเนี่มากฟัง่งคูบายจานยังหลวงพ่ออินเนี่ยพวกเฮาของหงจักเพราะมาจากมุกดาหารพีน้องลูกหลานมาจากมุกดาหารหลวงพ่ออินบวชเป็นเน่นแต่อาอยุสิบเอ็ดสิบสองปีสิบเอดอย่างสิบสองปีบวชมาถึงแต่ปีสองพันหรอย แล้วก็บวชเป็นพระปี08 08มาถึงหาสิบผ่านเป็นเวลาสักปีบวก8ปีสัมมเด่นเขาอีกเป็นเท่าไรเนี่ยชีวิตทางชีวิตของหลวงพอ่ออยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นเวลานานเท่าไรกี่ปีแล้วหลวงพ่ออินมีความเห็นจังใดมีความคิดจังใด จึงได้หนีจากบ้านมาจากภูน่ะจากบ้านมุกดาหารพอน่ะจากมาหนีเป็นหลายรล่อิเคโล่สมัยนั้นแทงทางรถแทงบสะดวกสบายเหมือนคู ม, มือนสีสั่มหลวงพ่ออินมาจังไดยังไมาอยู่นี่และมีความเห็นจังไดเกี่ยงบวชได้นานถึงขนาดนี้แล้วความคิดของหลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่ออินคิดจังใดมีความเสื่อมันจังไดในใจสิงมูนี่ พวกลูกหลานจะได้ยินได้ฟังละ่ะพวกลูกหลานจะจะได้ตั้งใจฟังลูกหลานจะได้ลู่แนวทางแนวความคิดของหลวงพอ่อพอนายได้นนตั้งใจฟังหลวงพอ่อจเวอกภาษากลางรจีวอกภาษาอีสานดีน้อมันเนงเหรอจะศศมีคนปากกลางมีบอลขึนแถวหนึ่งมีนนอบอลมีบ้างเนาะมิตรบ้านเฮ้านะว่าบ่แบบฟังงา่ายๆเถอะว่าเอาภาษาบ้านเฮ้านี่แหละวะนะ เนีพราะภาษาทางภาคกลางเคยขึ้นจะโบมี ม, มักมี่เคยขึิให้ลูกหลานที่ทั้งภาค ก, กลางพยายามศึกษานะศึกษาภาษาทางต่างถินเข้าไปอเมริกาเข้าก็ยังไปเฮียนภาษาอเมริกาเด้เข้าไปอยู่เวียดนามาก็ยังไปเฮียนภาษาเวียดนามเข้าไปประเทศไหเขาก็เฮี้ยนภาษาประเทศนั้นอันภาอีสานเขาก็ต้องเฮี้ยนภาษาอีสานนะวนันไหนฟังภาษาอีสานมือนึ่งลูกพ่อจีบบอกยังให้ฟัง เออมื่อเนี่เป็นวันมงคลมหามงคลยางยิ่งที่คณะทัทธาญาติโนมพร้อมระสงหลายวัดทีเดียวที่หลวงพ่อมองดูดูดดนี่ก็คือมาจากมุกดาหารแล้วก็มาจากคอนแกนวัดหลวงปูแน่นของเฮาแล้วก็วัดจากวัดอุดอรกนี่หลวงพ่อขาที่เป็นประท่านมือนี่ยหลวงพ่อขาาเพิ่นก็ข น, นเป็นคนพังง่าพอเด้ เป็นลูกชิดหลวงตาดุลนอยู่ร่วมกับหลวงพ่อวัดปลาบัานตาดหลวงพ่อขาดนแล้วก็เพลินก็มาจําพรรษาอยู่บ้านไม่เมืองผ่านบันผือเฮาเนี่เป็นปีที่สามแลม้ว ม, ลมั่งปีเนี่ยเพราะนั้นเพิินมาอยู่นี่เพลินกระดี่ผ้าคณะชัททาญาทโน้มมากกลุ่มของเพิินแล้วก็พวกขอนแก่นลุงปูแน่นทําซ้ําขามถ้ายาวเพลินกับมากกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มผู้จกเกาพระอาจารย์สมคิด แล้วก็ผ้าโมคณะในกลุ่มมุกดาหารเขามาเพราะนั้นเมือนี่จึงว่าเต็มศาลารถจนจะบ่มีทีจอดเพราะนั้นหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจกับคณ ะ, ะนองนุงทั้งหลายที่เดือเขามากาบขลภาวะตามประเภทนี้การเขาพันษาสมัยหลวงพ่อเป็นพระหน่อยเน้นนมก็คือกันกระตอดทุกวันนี้คือกัน หลวงพ่อกบดีหนิงดูได้ก้อนนั่นเอหลวงพ่อไปกราบหลวงปู่จามถือขันดอกไม้ไปกราบคารวะหลวงปู่จามาแล้วก็ไปวางพวงมาลาเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วาจากนั้นก็ขึ้นไปกราบพระในธรรมผู้จ ก, กอติหลวงพ่อเครื่องยวนพระประท่านองค์เก่าแก่ดึกดําบันจากนั้นก็ขึ้นไปคารวะหลวงปู่หละพระเจดีย์หลวงปู่ของเฮ้า นี่ยคือปีนี้จากนั้นมากันดลยมากราบคารวะหลวงปูแบรนวัดลอยธรรมเจดีดีจากนั้นหลวงพ่อยังรออยู่จากนั้นก็คงมากราบคารวะหลวงตาอีกหลวงตามหาบัวของเฮาเมื่อวันที่สิบต่อไปเนี่ยก็คงจะไปกราบคารวะหลวงปูวัดโพธิสมพรเจา้าคณะจังหวัดหลวงปูขุนมีหลวงปูลี่แล้วก็หลวงปูต่างต่างที่นั่อยู่ในระแวกนี่หลวงพ่อขอมุบะเด่นห่งอยู่ เฉยๆนะผู้มีอายุพันษามากกว่าหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ไปคารวะอันนี้คือเป็นประเพณีของพระธุดงค์กรรมฐานสายของเฮ้าสายหลวงปู่หมั่นของเฮ้าปู่น้อยก็ต้องการาบคารวะผู้มีอายุพันษามากกว่าคล้ายๆว่าอ่อนน้อมทอมตนต่อคู่บาอาจารย์ผู้มีอายุพันษาแต่นี่หลวงพ่อกับบ๊แมนถึงขนาดนั้นหรอกบ๊อแมนผู้มีอายุพันศาแต่ว่ารู้จัก พวกน่องนุ่งทั้งหลายเออก็ไปมาหาซูกันถ้าจะว่าไปหลวงพ่อก็พันสามมากวันน่องนองทั้งหลายพวกน่องนองทั้งหลายก็กูบาอาจารย์รุ่นนี้ก็มัดไปมัดไปพูดง่ายๆล่อยล้อลงมาหยนลงมาเออก็เห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นองค์นึงก็จะอยู่ที่จะจะมาแสดงความเคารพอันนี้ก็คือเป็นประเพณีอันดีงามของ พวกเข้าท่านทั้งหลายก็เคารพคารวะอ่อนน้อมทอมต น, ม, นมุดน้าดำหัวตามประเภทนี้อันนี้ก็คือการไปมาหาสู่แต่พอมาถึงแล้วยัมมาการาบคารวะหลวงพอลองพอเห็นพระลูกพระหลานพร ะ, ะน้องพระนุ่งก็อยากจะวาเกาว่วตักเตือนตามภูมิอายุพรนษาที่มีอายุมากกว่าก็ไขว่า พี่ได้สองน่องได้หนึ่งพี่ได้สองไอ้ไข่ก็บอกพี่ดีเลี่ยนมา ก, ก่อนได้เมื่อศึกษามา ก, ก่อนได้ผานห่อนผานหนาวมา ก, ก่อนผานหลู่เหลืองเล่าต่างๆมา ก, ก่อนผานประสบปการมาวัานแรกมาทายเท่ให้พวกน่องน่องทั้งหลายผูกเกิดไม่ใหญ่ที่หลังพวกน่องนองทั้งหลายอายุใกล้ไข่เครี้ยงองพอก็ะบอเป็นอย่างเพราะลูกใกล้กันแต่พวกน่องน่องทั้งหลาย ที่อยู่ห่างพึ่งมาบวชมาปีสองสปีทั้งสี้ล่ะหรือี่ห้าปีจังสี้ล่ะแหมไกลว่า 4, ยัา ง, ายางห่างอยู่อันเียกับวัพีพวกพีที่ไม่อยู่พรรษาของวรจะตักเตือนบอกกล่าวว่าพวกน้องๆทั้งหลายเอ้ยให้สำรวมให้ระวังเนอะยุกนี่สมัยนี่พระเน้นเฮาก็ลายพราะพุทธศาสนาของเฮากะเป็นมาจังสี่ละ่ะซื้อต่างๆเขากะ ระดมข่าวอยู่เรื่อยๆแต่ละวีแต่ละวันแต่ว่าพัวเข้าฟั่งเบงเอเดี๋ยวก็พาองค์นั้นเป็นยังสีพาอง์นี้เป็นยังสั่นอาขายย า, ยาบากันซายาฟินของพวกเข้าเน้อเข้าเป็นสายหลงปูหมันเน้เอเป็นลูกชิดหลงปูหมันเป็นลูกชิดหลงตามหาบัวเป็นลูกชิดพ่อแม่ผู้บาอาจารย์สายหลงปูหมันให้พวกเข้าให้เหนียวแน่นเน้ออย่าไปวันไหวไกวแวง กับทางด้านวัตถุมากจนเกินไปเนอ้อไอ้นักแน่นได้รักพระธรรมวินัยเนอ้อและก็สำร้อมระว่างเออยาให้มีเรื่องความเสียหายเ่เานั่นเขามากครอบคุ้มพวกเข้าได้ทางด้านวัตถุพวกเข้าจะไปคิดมากเออไอ้แนนนักเรื่องรักธรรมวินัยไอ้มีศีลมีธรรมไอ้นักแน่นในรักพระธรรมวินัย คานาวามีไอหยางเกิดเคิน์นคานาวาเก็บไข้ได้ป่วยบอมมีจตุปัจจัยอันนั้นก็บอกมากลงพอกัอนได้ไปสรั่งโรงพยาบาลหรือว่าเป็นประธานมูลนิธิหออบิบาลสงหลวงปูมันอูแล้วขันมูเจะไไไเบไขได้ป่วยพวกลูกหลานองคหลายก็ตางเก็บไข้ได้ป่วยเห็ม้าเนอโร่งพยาบาลสีนักลิ่มขอนแกน่นคนรับอยู่แล้ว ตึกสงอาพาธเวลาเจ็บไข้แต่เรื่องอาหารการบริโภคลงพอกับจิตว่าแต่และแทงแต่ละหันก็คงจะบทถึงกับหยากร่ำบากเพราะสัท่าหยาดนุวมพวกเข้ากับเต็มด้วยรัท่าอยู่แล้ ว, วก็นั่นขอให้พวกเข้าอย่ให้อย่แบบตามลักพระธรรมวินัยอย่าไปออกนอกหลูกนอกทางเนอะพาลูกพาหลานพา น, พาน้องพาดงทางหลายเนอะ ให้ยึดตามแนวแถวของพอแม่คู่บาอาจารย์พวกเข้าผ้าดําเนินมากพอแม่คู่บาอาจารย์ของเข้าพ้าดําเนิรมากคือให้เิคนนักแนนได้รักพระถรมวินัยให้เป็นผู้มีศีลแต่นคนเป็นพระพวกเข้าเป็นผู้มีศีลแล้วมีศีลมีถ้ำดีแล้วอยู่ในรักพระถรมวินัยดีแล้วมนุษย์บอเห็นเทวดาก็เห็นนะผู้คนใจสูงหมดไปเทวดานี่ยคือ เป็นภูมิลูกค้าเทวดาก็ตามเพื่อพุ่งสูงเพุ่งก็มองเบิง่งจากนั่นก็เทวดามนุษย์มนุษย์ติดจิตใจสูงเพ้นก็เห็นอีกเออพระสงฆ์กุมนี่ครูบาอาจารย์องค์นี้เป็นหูอยู่ในรัก พ, พกระธรรมวินัยพ้นก็จิมองเบิง่งพ่นกจ็จะมาดูแลผล น, นิบัติเออปัดใจซีหลวงพ่อหมัน่นใจเหลือเกินถ้าว่าพวกเข้าอยู่ในศิ่ในถรมแหละบ่ต้องโคอดัดกุย้ยหยา ธรรมวิไดจะเป็นผูกคุ้มคล้องเองแต่ท้าว่าพวกเข้าออกนอกหลูกนอกท่างบ่อยูในรักพระธรรมวิไดผูกโย่ใกล้ก็เห็นว่าโอ้พระนาเลื่อมใสพระจังสี่เฮ็ดจังสีที่เฮ็ดใดจังใดจังสีก็ถึงจะไปโย่ในเมืองในกลุก่มใกล้กลเมืองกับบมีผู้ใดสีใสาบาดหายคืบกันเพราะเหตุใดเพราะว่าบ่อยูในรักพระธรรมวินไดพราะนั้นขอให้พระน้องพระนุ่งพระลูกพระหลาน ตั้งหลายเนอตั้งอกตั้งใจเนอะอย่าไปเฮ็ด่นสิ่งถี่มันบอดีบอมเอาะบอสมบอมข่วนให้สัมรวมระวังให้ยูต้องการให้ฟั่งหัวนา อ, อย่าไปเปียนเกี่ยวกันหลวงพ่อเคยเห็นเด้ข้อหัวนาฟั่งเลยจ้ะเถียงหัวหนาก็มีคป้อนถักเสือ้อฟั่งหัวนาอายุในใจเอาไว้เพรว่ามีความเห็นอบอลงกันหรือว่ามีความเห็นแปลกกับหัวนา อย่ากับผู้บาอาจารย์ให้ยูในใจเอาไว้อย่าไปเอออกนอกลูนอกทางกานออกนอกรูนอกทางมันพิดกันเลยมันบอแมนอีกต่างหากมันบอถูกเข้าปู่เป็นผู้หน่อยเขาต้องฟังเจาก้อนการว่าบอพ้อใจเออก็รจะค่อยเตือนเพลนการบอเตือนเพิลนบ่ได้เลยไปว่าทิดทีบอล่งกันเพลนก็บอให้ยูน้ากันอีกเด้เออมันบอแมนผิดสิบบังคับพายุกันบอแมนได้รับประทับในไน รักธรรมธรรสอนของพระพุทธเจ้าสมบูรว่าหลวงพ่อนี่เป็นอาจารย์เมนบ่หละเป็นเจ้าของวัดนี่แหละบาปนี่ลูกซีดม า, จากจากจากยาตุรทิศเนี่ยเข่ามากพ่อเข่ามานี่บอแมนฉีบังคับให้ก อ, อนิสใสเลยบอแมนเด้เฟินมากให้เบิงซะก่อนให้เบิงอาจารย์ซะก่อนเอ้ท่านอาจารย์องค์นี้นิสัยเขากันได้บอกับเเาอนะลูกซีดกามาเบิงอาจารย์ซะก่อน ทังอาจารย์ในก็เบิงลูกซิตคือกันเอพระองค์นีขาา้ขอบ้านเป็นยังไงนิสัยเกเลบอนิสัยดีบอนิสัยขอมูได้บอนิสัยอาจารย์ก็เบิงคือเบิงลุกซิ์ที่เขาม้าใหม่คันเบิงมื่นนึงสองทอดสามหมอเออมั่นใจขอนิสัยมั่นใจถ้าเบิงไปเองยังบอกมั่นใจวะพอดหกหมื่ เบื้องอาจารย์ห่อนพกมือบ่หมั่นใจเป็นอาจารย์เท่าบ่ได้หอกเบิ้งแล้วให้หนีบ่ให้ยโยเลยขั้นขืนอยู่ไปปั๊บบวบัตทุกโกรเพรเหตุใดเออนิสยยยัยเขากันบ่ได้โยให้ยังโยไปกับสอนกันบ่ได้นี่แหละพ่อวินัยของพระพุทธเจ้าเพื่อนละเอียด อ, อ่อนเด็เพราะนั้นอาจารย์ขึ้นกันเบิงบ้งล่ะเบิ้งหลุกเสียอีกขั้นเบิ้งแล้วถึงจะรับมากเลยก็ตามแต่เบิ้งแล้วมันบอ่อยู่ในหลักพระธรรมแม่ไหนมันขวาง พรมันขวางเนี่ยอาจารย์ก็บอกเอ้ยท่านอยู่วะได้หรอกนิสัยท่านกับผมมันบวกถือกันเบิ่งเบ่งแล้วมันขวางกันไปออกไปหาอยู่บางเอินไปเนอถ้ายืนฝืนดูต่อไปกับนั่นแหละมันบอฟั่งค่ำจะเกิดประโยชน์อยังยข้อคอนทอค้อนไม่ท้ อ, อไ ม, อไม่มันบอกเกิดประโยชน์ไปออกไปไอ้ น, นี่คือมันในในพระวินไนเพลนกระมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเขานะพาลูกพาหลานทั้งหลาย พูดทางนี้ถน่านหนขึ้นบอกกล่าวเป็นแนวทางให้พวกเข้าได้ศึกษาพแล้วการยูน้ำการห น, นึ่ต้องสําร่วมกายว่าจาให้เรียบร้อยให้เป็นภูมีดสินสาร่วมกายว่าจาใจข น, ะนะาดวะให้สําร่วงใจนะนะั่นน่ะทว่าเฮาสําร่วมใจดีแล้วนะกายว่าจามันก็เป็นไปเองกานว่าใจของเฮาปูามีสมาธิแต่ละมื่นแต่ละเว้นปุ๋งฟุงอยู่ตลอดเวลามันบไดาเลยและอีกอย่างหนึง่ง พระนวะกะพราบวทใหม่ที่มาอยู่ทํานคูบาอาจารย์พราบทใหม่จะเป็นข้าราชการคู่ก็ตามตำรวจก็ตา ม, ตามพ่อข่าไปชาติท่นยังก็ตามเขามาบวชเลยต้องทำร่วมทำร่วกายว่าจานะออบอแมนสิเขาม่าบวชเลยคนม่าเวาเหลืองสัพเพเหระมาเวา เ, เ, เหลเเืองโลกเหลืองสงสารม่าให้พระในวัดของเพื่นพระหน่อยพระนุมเออใจแตก อ, อ, อันนั้นก็เคยมีเด้เพรเห็นนุไดเพรหลวงพ่อเคยเป็นพระหน่อยพระนุมมา ก, ก่อนแล้ว หลวงพ่อเนี่ยเคยเจอเออเคยบวชเขาม้าเน่ยบางค้นขอม้าแนะแน่วมาเว้าม้าว่าในสิ่งที่มั่นบวเป็นถ้ำเป็นวินัยก็ทําให้พระแน่นให้วัดกันไก่แต่ข้อออกพรรษาหรือต่างก้นต่างไปจังสีก่กมีอันนั้นว่าเป็นบาปนะขาม้าเพื่อจะได้บุญนกับแนะนําไปในท่างที่เป็นอกุศลติดตัวของเท่าเพราะในสิ่งเล่านี่อเออเทาตรงเด็คิดคืดกัน บอมแมนดีมี่ยังลวมปากกับว่าออกมดบอแมนวันนึ่งขอฝากไปกับพระลูกพระหลันพระนองพระนุงทั้งหลายเนอก็ให้ํารวนระวังยิงเราหนีนะนี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่แล้วก็พร้อมกันก็ให้ศึกษาทีนี่ศึกษาในรับประทับวนไนพระวีไนคือรักถ้ำขั้มสอนของพระพุทธเจ้านะมี่ยังพวีไนก็คือตั้งแต่สอนอนุศาสตร์แอย่างนิสัยสีอากครณนียกิจสี เนาวกูวาดอ่านลงพอเนี่เป็นเน้นเลยลงอยู่กับลงปูหลานพ่อขอามากเป็นเด็กหน่อยมากลงปูเนี่ยไอ้คนทองเสขียวัตรก่อนเลยไปเอาไปทองเสียขียวัตดเดอเอ้อเสขียวัดวัดที่สมมเนนจะต้องศึกษาเลขเสียขียวัดเสีขียวัดจัดเป็นสี่หมวดหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสารูปหมวดที่สองเรียกว่าโภชนะปฏิสังยุตโมวที่สามธรรมเทสนาปฏิสังยุตโมดที่สปกกินกะสารูปที่หนึ่งมียี่สิ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามเณรเพิ่งทําความศึกษาว่าเอาเราจะนุ่งห่มให้เรียบร้อยนี่หลวงปู่หละคนให้ใหลวงพ่อเนี่ยเป็นเน่นเป็นเด็กหน่อยทองเด็อจกเข้าจะนุ่งห่มให้เรียบร้อยเล่าจากักมีตาทอดลงไปนางในบ้านเข้าจากว่าเยินกระโยงเท่าเขาไปในบ้านมีมั้ในเจรษฐกิจวัตรคือมารยาทคนหลวงปู่เนี่ยคนให้สอนมารยาทก่อน การฉันขึ้กันเราจะไม่ฉันดังจับๆับสมมเนนพึ่งทําความศึกษาว่าเราจะไม่ฉันดังจับจับสมเนนพึ่งทําความศึกษาว่าเราจะไม่ฉันดังสูดสู้เราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากเราจะไม่ฉันทํากับพุ้งแก้มให้ตุยเราจะไม่ฉันพลางสะบัดมือพางเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดเราจะไม่เอานิ้วมือสอดเข้าปากเราจะไม่ฉันกัดคําข้าว เราจะไม่ชั้นโยนคำเข้าข้อปากคือภระเวน่ายคือศีลของพระเนี่ยโยนนี้หมัดอันนี้คือภวิเวน่ยการเป็นอยู่ของพระสงฆ์สัมมาเดน น, นี่แหละคันว่าพัวเข้าอยู่ในกรอบลบของรักพระธรรมวิน่ยแล้วมีแต่ความสวยงามคันเห็นเบิงกับสวยงามเหมาะสมถูกต้องมีกิริยามรารยัติที่ดี เพราะนั้นขอฝากไว้กับพระลูกพระหลานพระนองพระนุงทั้งหลายเนอะอันนี้คือเรื่องกดระเบียบเรื่องวินัยแต่เรื่องถ้ำบาตรเนี่ยหลวงปู่หลวงตาเนี่ยพจน์สอนนะหลวงปู่คูบาอาจารย์พจนสายหลวงปู่หมันเท่านี่ให้ภาวนาพุทธโธนะเนออให้ภาวนาพุทธโธเป็นหลักหลวงตามหาบัวเพจนยังย่ำอีกว่าเมื่อเพจนเรียนมหาได้มหาสามประโยคแล้วเพจนจะมาปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่หมัน เออล้มมากกาบล้มปูมันหล้มปูมันบอกว่าวท่านมหาเอ่อท่านเลี้ยนมหามาจนได้เป็นมหาเรื่องที่ท่านได้เลี้ยนมากนั่นนะ่ะเออมากน้อยนะ่ะให้ท่านเอาความรู้ของท่านเนะ่ยเอาเข็บไว้ในตู้นะปิดไว้ให้ดีเอ่อบ่ตองเอามาเปรียบเทียบต่อ น, นี่ไปถ้าจะหวังความเจริญหวังความผาสุกนะในการปฏิบัติเนะี่ยให้ท่าน ท, วน า, ทวนาะพุทธท้อเนาะ หายใจเข่าพุทหายใจออกโทษเนะนี่แหละยึดตัวเองให้มันคงนี่แหละลงปูมันซอนหลงตาตะกรอนลงตามหาบัวเพิ่นกวา่าเพิ่นกำหนดเอ่อกำนด์ไขว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเขา้าออหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเขา้าหายใจออกเวลาเดินกับขาขวาพุทธก้าวขาสายมีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดิน เพื่อให้มีสติในการก้าวแต่หลวงปูหมันเพิ่นบอกว่าเวลาหายใจเข่าบริกรรมว่าพุดหายใจออกบริกรรมว่าโธเวลาก้าวขวาขวาเนี่ยขาขว า, าพุดขาซ้ายโธเวลาปัดกวาดเขื่อ น, นหูเวียงขวาพุดเวียงซ้ายโธเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะในทุกอริยาบทอ่าหลวงปูหมันเป็นสอนบริกรรมด้วย แต่ลงตาตะกรอนเพลินว่าฝนมีแต่กำหนดกำหนดลู่ชื่อๆหายใจเข่าก็รู่หายใจเข่ารู่หายใจออกก้าวขวาขวาค้าใสาการเดินไปกันมิสติสัมปัญญะในการรูเ้เห็นในการเป็นอยู่เพลินว่าบอ่อพ่ออาจารยเพลินว่าเออพ่อต่อมาจมันใจมันลดออกไปเอยๆใจมันลดออกบ่อยพ่อไปแล้วกันัดคนไปนใช้หายเงียบ โอ้มันเป็นบปานนี้ตัวเหนียวชาวบ้นแลหลวงตาบาดหลวงตาบาดนี้เอาไหมบาดนี่กำหนดอย่างที่หลวงปูม่มันสอนหายใจเข่าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโถบัว่าบังคับเลยท่บแมนธรรมดาเลยทพวนาที่คือบังคับคนนั่นไปบแมนที่ยับภาวนากับพ่วนาไ ป, ไปเรื่อยๆเฉยๆเรื่อยๆไปบแมนเด้บังคับพ่อบังคับมื่อหนึ่งมือที่สองผมโอยา น, นัก นักแท้ๆเนะี่บังคับใจเจ้าของนี่เนอะเพื่นว่าไม่มีอันไดทิ่นักท้อการบังคับใจเจ้าของบังคับรู้เสีกว่ามันเออเหมือนกับบีบไปยังมันแปดออกผุ่นรดออกผุ่นรดออกพี่อยู่เลยเงี้ยไแต่เพื่อนก็ บ, บังคับไปอยู่กับพุทธท่หายใจเข่าพุทหายใจ อ, ออกท่อเวลาเดินขาขวาพุทธขาซ้ายท่อเวลาปัดกวาดกับเวยีเวยงสายพุทเวียงสายท่อพุทท่อพุทธมีสติเมื่อที่สี่เพื่นว่า พ่อมือที่ซขึ้นมากเออรู้เสียกว่าสติอยู่กับตัวเองไปเบาขึ้นมากจากนั่งกับเบาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนสติอยู่กับตัวเองอยุ่ตลอดจนประ ก, กาศออกมาในใจว่าเออใจของห้องบอเสือ่อมระบาดยู่ได้จิตใจของห้องแบบยุ่ได้บอเสื่อมอีกแล้วบัดนีมั่นใจนี่แหละอันนี้คือแนวทางขององค์หลวงตามหาบัวเนอะออแล้วก็ควรให้กำหนด บังคับเพื่นเปรียบเทียบอันนี้ลงตาเพื่อนบอกว่าการบังคับเนี่ยก็การกับเด็กหน่อยเด็กหน่อยนักเรียนลูกของเห่ามี่ผู้ใดได้เกิดขึ้นบ้าเลือเป็นเด็กหน่อยเลยอยากไปเฮียนหนังสือเ อ, อหอบหนังสือไปเลยไปเลี่ยนไปเลียเ่ยนกับแมนยุไปน้ามูหมื่นส อ, องหมื่นมือต่อมากกระ บ, บอกจักปแล้วงองแง่แล้วัะพอแม่กระตองบังคับบังคับให้ไปกับพี่กับน้องเด้กเป็นมีผู้ผ้านํามไปเพราะเหตุใดเพราะเด็กน่อยเยเพราทัานผู้จัก คุ้นค่าในการเรียนในการศึกษาแต่พ่อแม่หนูแล้วว่าการเรียนการศึกษานั้นจะต้องเป็นคนดีลูกมีวิชาติดตัวต่อไปพ่ายภาคหนาเป็นผู้บงโก้ท่าว่าผู้ใดก็าตามบนบึงหูหนังสือบทเรียนหนังสือเนี่ยเป็นเด็กที่โง่เงาเต้าตุนเพราะเนี่ยพ่อแม่หนูแหละพ่อแม่ต้อจึงบังคับบังคับให้เรียนหนังสือนะลูกนะนี่แหละเด็กมันก็นงอแง ใหม่ๆข้อต่อมาเนี่ยเด็กมันลูกค้นค่าในการศึกษาในการเรียนบันเด็กมันขยันเองเอเด็กมันจะ ก, ก้าวหน้าเองขยันเองบ่อห้ามไว้ก็บอฟังอันนี้คล้กันนะเนอวิธีภาวนากับลักษณะจังจันแล้วอันนี้หลุงตาเพิ่นบอกจังจันนะมือใหม่เดี๋ยวพ่อปานจูหมาใส่ฝนจะินั่งภาวนาจีเดินยองกลมนะแต่ว่าพ่อต่อไป เ, เมื่อเข้าเฮ็ดปฏิบัติไปแล้วเนี่ย ยึดใจเขาเข้าได้รับความสงบปล่มเย็นเป็นทุกขแล้วเนี่ยมันมันขยันเองเลยคนขั้นไขว่าขั้นบารีเหตเนี่มันขาดอขาดการขาดเวลาขาดการพ่อหน้าไปเพราะนั้นค่ะว่าขั้นเอาว่าเข้าเห็ุติดต่อเสมอแล้วมันติดแหลนะนี่แหละอันนี้ก็ขอให้ฝากไว้ครับพราลูกพราลานพาหนองพาหนงตลอดถึงสัท่าหยาดงโงมทุกู์ทุกคนนะนะั่นแหะอันนี้ก็คือวิธีการพาา่อหน้า หายใจเข่าพุทธหายใจ อ, อกท้อขึ้นคือสายลวงปูหมั่นของพวกเข้าแล้วลงพ่อก็เคยแนะน้าอีกท่านหนึ่งลงพอ่อเออทดลองคันห้าบอ่อยากหูนะอยากหูว่าใจมันออกในคณะไหนนะมันลดไปในช่วงใด น, นะให้ทดลองคันว่าเอาพุทโทนะ่ษมันยังบู๊จเพราะพุทโทษพุทโทษพุทธโทไปเลยเนะี่ยมันอาจจะหลดใจเขาอาจจะลดในช่วงไหนเข้าก็บอกหูให้ทดลองนับปังเนาะลงพอบอกไปลงพ่ออินบอก ลอกนับหายใจเขานับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเขานับสามนับสี่นับผานับพกสรุปแรกก็ซือหายใจเข้ า, า, า, า, าจะ เ, เป็นเลขขี่หายใจออกเป็นเลขขู่หนึ่งเลขขี่สองเลขขู่สามเลขขี่สี่เลขขู่หาเลขขี่พกเลขขู่เข่าออกเข่าออกไปหอดลอยพอยลอยกลับมานับหึอีกทามันบบเผรอนะถ้ามันสิเผร์นะมันจะเบอร์อรเบอร์ซะก่อนพอเบอร์แล้วมันหลุยลัดวงจอดได้ไหม หายใจเขามันจะเป็นเล็กขู่หายใจออกมันจะเป็นเล็กขี่ไปเนียสลับกันโอ้ยพิษแล้วเนี่ยผู้แล้วเออหลงแล้วเริ่มแล้วเนี่ยเอาไหมเอาก็ต่างต้นมาอีกขั้นว่ามันหลงไปบ่อยบอมเนแนวดีเลยลูกหลานคณะทัตไายายาดงมนะ่ะเออขั้นหลงไปบ่อยนับไปถึงศีกถึงหานหะลงไปตัพืดอตัเพื่อ น, นนะเดี๋ยวเป็นบาทแ ท, แท้มันทำไปเออสติบัอยู่กับเจ้าของแหละเพราะนั้นเรื่องจติขาดมันเอนแนวดีเลย หมอขาดเสือขาดพาขาดมันก็นยังบอดีสติขาดไม่จีดีใดจังไหนไม่จีพ้อมจีเป็นบ้าสนะเพราะนั้นให้ตั้งสติให้ดีบังคับพายุครับเจ้าของพุทโธพุทโธแล้วกันหนึ่งสองสาห้าคันนับถึงลอยบอ่เอเผอเอ อ, อน่ะสติของเฮาดีและได้ท่นี่ต่อไปก็ดีขึ้นเรื่อยๆรับสามสี่ห้าเธอเก่าเธอซิเธอก็ยังบอลบอลลืมบอหลง กแล้วกับบริกรรมพุทธโธต่ออีกบายกลับมาหาพุทธโธพุทธโธพุทธโธนี่แหละต่อไปเมื่อจิตใจสงบนิ่งร่วมไปเนืองบ่ายและเฮตุจังใดต่อไปเปินว่าให้เดินวิปัสสนาบ่ายเมื่อจิตของเข้าร่วมสงบพ่อเป็นพื้นฐานแล้วให้ภาวนาวิปัสสนาเนอะวิปัสสนาคืออย่างสมัทะและวิปัสสนาสมถะคือทําจิตใจให้สงบเ อ, อ วิปัสสนาน่ยให้คิดกันกลองไตรตองหาเหตุและผลบานนี้ก็เดินวิปัสสนาพระพุทธเจ้าพ่อแม่ผู้บาอาจารย์สายล้มปูหมันเท่าพันว่าให้พิจารณาร่างกายเนอ้อเพราะพระพุทธเจ้าพณ์บอกว่าเมื่อพระเน้นบวชเข้ามาใหม่นี่ยตั้งแต่บวชพ่นให้กรรมฐานหาเกสาผมโลมาขนนาคาเล็าาเบท่านตาฟันตะโจนังอันนี้คือกรรมฐานหา ภายในห้องพอวาวนากำหนดกรรมาฐานห า, หนาเพืเอ่อนเนื้อเกษาผมมันอยู่จังไรขนมันอยู่จังไรเล็บมันอยู่จังไรฟันมันอยู่ในหนังมันอยู่จังไรเนื้อมันอยู่จังไรเอ็นกระดูก อ, อกระดูกมันอยู่จังไรทับปอดไตใสใ่ใสยใส่หน่อยอาหารไม่อาหารเกา่านามดีนามเสลต์ลายบรรลุอาการสามสิบสองในร่างกาย การมากข้อนั้นคาแยกบั้งหรอแยกส่วนแบ่งส่วนมาอีกเนาะหลวงปู่มั่นเพิ่นสอนนะอครูบาอาจารย์เพิ่นสอนหลวงปู่หล้าสอนเป็นว่าแยกส่วนแบ่งส่วนเพื่อจังไรเวลาห้าวนางนะกำหนดเบังเอากำหนดทอนถอนผมไว้กองนึงทอนขนไว้กองนึ่งถอดเล็บไว้กองหนึ่งถอดฟันไว้กองนึ่งทะลกหนังไว้กองนึงเออเอ็นไว้กองนึงกระดูกไว้กองนึงทับไว้กองนึง ปอดใบกองหนึ่งหัวใจใบกองหนึ่งม้ามใบกองหนึ่งล่ำใส่ไงล่ำใส่หน่อยไว้ขนละกองเออเบิงนุ๊กให้เบิงบัดคือกันเข้าชัมและเนื้อหมูเนื้งง่วเนื้อควายเอากองกองไวนะ้อันไหนคือร่างกายของเข้าบัดให้ถามมรุบัดเพอจิตใจของเข้าผ่านความสงบมาแล้ว น, ะนี่คือว่าจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งนะ่ะ เนี่ยแหละเอาจิตใจที่สงบนี่ยผ่านความสงบมาพิาจารณาร่างกายเออไอ้เราเอาใจน่ยพิจารณาร่างกายเนี่ยชำระบมรณะเนี่ยถอดผมขนเล็บฟันหนังเหนื่อยเอ็งกระดูกเยื่อในกระดูกมั่มหัวใจตับฟังผืนเป็นกองกองกองกองกองไว้ไม่ถามมันก็าถามใจผ่จาเจ้าของถามเจ้าของไใจถามใจเอออันนั้นผมเป็นของเห่าบอกขนเป็นของเห่าบก่กเล็บเป็นของเห่าบอหนังเป็นของเห่าบอกมันก็เปลี่นของเห่านั่นแหละ แต่ว่ามันเป็นกล่องสั้นมันจะเป็นของเข้าไหนจังไหนแต่พอมันมาร่วมเขากันว่ามันของสวยของงามบัณฑิตขันมาชำและเอาไปสั้นมันโมเมนของสวยของงามเลยนี่แหละใจเบงให้ดีเนะร่างกายสังขารของเขามันบมดเป็นเลยมันเป็นอสุภะปฏิกรูนเลยมันเป็นดินน้ำล่งไฟเลยมันโมเมนของเช็ดสวยงดงามนะใจนะอย่าไปหลงนะอันนี้ก็คือพาวนาเบิงให้เบงใจเจ้าของเห้เห็นตามความเป็นจริง ที่เฮาพวกเข้าได้ยิ น, นอยู่คณะนี่มันเป็นจริงจังสั่นบอสมันเป็นจริงจังสั่นเด้พระพุทธเจ้าพ่อแม่ผู้บาอาจารย์เพื่นสนเพาะเฮาพวกเขานี่หลงหยังเอ๊หลงปูมันเพราะว่าหลงหยังพวกเข่าหลงหยังหลงหนังเอาหนังหุ่มมันก็เลยหลงหลงหนังหลงหนังหลงหยังนี่แหละค่นว่าพวกเข้าแยกแยะเพื่อนะหลงร่างกายพระพุทธเจ้าพเพราะว่าหลงร่างกายเจ้าของ ขั้นพ่อหลงร่างกายเจ้าของว่าขาเนี่เป็นบุคคลสําคัญขามีร่างกายเซ็ตสวยมากขามีกําลังว่งชาแข็งแรงขานี่เป็นไผเออขานี่เป็นหลวงพ่ออินี่พ่อพี่ขาหลงหลงงพ่ออินบ้านเนี่ยก็หลงผู้อื่นแล้วบ้านเนี่ยนะหลงผู้อื่นหลงทรัพย์สมบัติหลงศาลาเจ้าของหลงวัดปลาหน้าคำหน่อยหลงไปมัดบานเนี่เออว่าบริษัทบริวารของเจ้าของเออมันหลง มันหลงไปว่าจะเป็นของของเจ้าของหมนที่แท้มันบอแมนนียนาดร่างกายเจ้าของมันก็จะบอแมนของเจ้าของแล้วจะเป็นของผู้อื่นแล้วมาเป็นของเฮ้าใดจังใดขนาดร่างกายก็ยังเป็นที่ตายอยู่แหละดินน้ำร่มไฟอยู่แล้วเดี๋ยวไฟไปเผาอยู่แล้วสักมือนหนึ่งแล้วเล้วจะหลงร่างกายเฮาหลงใดจังไหนอันนี้ให้คิดเป็นผ้าษาใจนะบอแมนผาษาข่าพูดเป็นภ้าษาใจของเจ้าของเพราะนั้นเวลาเฮ้าที่ทาการทํางานเฮ้าก็ทํา ย่งหลวงพ่ออินจริงๆรับแขกรับคนรับพีรับนอกรับหยาดรับโ ย, ยมจัดการบริหารเรื่องวัดเรื่องว่าดูแลทําความสะอาดอย่างๆดูแลบอกพระแน่นในวัดซอยกันเบางซอยกันทําเนอพระลูกพระลานทุกองเนอะปองเพียงสมัครชีกันเนอะแต่หลวงพ่อกระบอกกระกล่าวแต่หลวงพ่ออินมาเดินจะกมงม น, น, นั่งพาวหน้านั่งรับตาหนึ่งอะบางนี่หลวงพ่ออินเอ้ยหลวงพ่ออินเอ้ย เสียงเหล่านั่นเออเข้าอยู่กับโลกสมมุติเข้าก็ต้องใส่ให้มันถูกกับโลกสมมุติเขาให้มันถูกเพราอถอดขันร่างกายของเขานี่เป็นอยู่พอหลกสมุติแต่เข้าจิรักษาบริหารจัดการดีปนได้ก็ตามเนอหลวงพ่ออินเนอะอย่าหลงนะอีกสักมื่นหนึ่งถิ่มทั้งหมดแต่ขนาดร่างกายก้าของก็ยังเสียถิ่มอยู่แล้วเอ่อย่าไปหลงเนอะหลวงพ่ออินเนอะอะเ น, นีดยหลวงพ่ออินก็สอนหลวงพ่ออินเองเรีบา้เอ่ย่ให้หลงวันเดินไป สอนเจ้าของนี่แหละอันนี้หลวงพ่อสอนเจ้าของจริงๆหระบอกให้พวกน่องพวกนุงพวกเนี่พวกโยมทุกขูทุกคนให้เบิ่งเนื้อบานเบิ่งสอนบานพ่อสอนเจ้าของแล้วบานบ่หลงบ่หลงร่างกายเจ้าของแหละบ่หลงมองเนวอื่นแล้วบานพ่อมาหลงพวกอืนก่อนไม่ยอดมาหาตัวผู้รู้้บาเออตัวผู้รู้คือใจบานเออใจเนี่ยคือตัวผู้รู้คือน้า ม, มาทํามัม่นทานความสงบมล้วเนี่ยจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วเห็นได้ชัดเด้ เ, เมื่อจิตใจเดือดทานความสงบเราเห็นได้ชัดเลยเห็นใจของเจ้าของเนี่ยเห็นตัวผูร้รูรมันไปหลงเลิ่องเองี่ยงเออมันไปติดของเลื่องเองีอ่ยมเพราะในชุดกิดเนี่ยใจของห่อเนี่ยก็ดูดูแล้วมันออกไปให้ความสําคัญทางนอกมันก็หลงลูกเล็กลูกเล็กลูกเล็กลูกเล็ ก, ล ก, เ, ลกเขามาหาตัวข้างในเออไปให้ความสําคัญร่างกายว่าเช็ดสวยงวดงามไปให้ความสําคัญว่า ขี่ไล่ขี่เลไปให้ความสําคัญเรื่องน่ะไปให้ความสําคัญเรื่องนี้พอในชนพออกไปจากใจทางมัดบาดเนี่ยนี่แหละเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจพเพิ่นเยวะมโนปุพังขมาธรมามโนเสรษฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเรื่องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งมัดบาฮาจิปล่อยว่างปล่อยว่างมองไรบัานปล่อยว่างในใจเนอ้อนี่แหละ หลวงปู่คู่บาจารย์หลวงปู่มันเพลิ่งหลวงปู่เสาเพิ่งให้ปลอยว่างในใจเนอะอย่าไปปลอยว่างมองอื่นปลอยว่างในใจเบื้องใจของเจ้าของแล้วก็ปลอยว่างนั่นแหละมักผลในผ่านอยู่มองนี้ละ่ะโบแมนอยู่มองอื่นอยู่มักผลในผ่านอยู่ในใจบ่ได้อยู่ในดินฝ่าอากาศว่ได้อยู่น้ำพูนันบุคคลผู้นันผู้ดดิวัดว่าศาสนาโบแมนเ อ, อ้มักผลนิ พ, นพ่านผู้ที่จะไปทางดีผู้จะไปทางส่วน ออกไปจากใจทั้งมัดเนี่ยอันนี้แหละเปิลสอนพระอยู่กับวัดว่าศาสนาเนี่แหละขึ้นนำ้ำแนวความเห็นที่หลวงพ่อได้ศึกษามามาบอกมาเกาวให้แก่คณะหมู่ปกเพืินนองนุงทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนี่แหละพิธีการภาวนาวิธีกา ร, าาการปฏิบัติตนในคณะที่เป็นพระสองฆ์องค์เจา้าดําเนินชีวิตเข้าอยู่กับอยู่แบบอยู่ได้สร้างวัดว่าสร้างศาสนาสร้างได้ทางทาวอนวัตถุจริงหลายทั้งพวงสร้างได้ แค่ว่าถึงจะสร้างแล้วก็ตามก็ให้น้อมมหาตัวของเราเองว่าถึงจะทําอะไรยังก็ตามอีกสักมือหนึ่งสิถิ่มพลังมัดเนาะอันนี้เข้าคืดไวรลดอันนี้คือความยึดใจของเข้าจะบล็อ ก, อ ก, กเพื่อรูออ้จักเขารู้จักเล่ารู้จักการว่างตัวออบล็อกหลงไหลง่วงง่ายลุ่มหลงมัวเมากับเสียงทั้งหลายทั้งปวงในเมื่อเห็ดก็เห็ดได้ในเมื่อถอยก็ถ้อยได้ในเมื่อทําก็ทําได้ เอ่อพอมันปล่อยอยู่ว่างอยู่ในจิตในใจของพวกเฮานี่แหละอันนี้ก็คือฝ่ายพระสงค์สําหรับฆราวาสญาติโมยมขึอนกันพวกลูกหลานทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนกชนพุทธมามกะเป็นอุบาสกอุบาสิกากระย่าตั้งอยู่ในความประ ม, มาทในเขาพรรษาแต่ละปีพวกเฮายากหน่อยกับไปรักษาศีลในวัดรักษาศีลหาบังรักษาศีลอุโบสถบงังกพระไตรเจ้าพันบอกไว้เด้ เพื่นบอกว่าผู้ใดก็ตามถาว่ามีสินหาประจําตัวแล้วประจํากายว่าจากของห้าแล้วผู้นั่นจีบวตตกนาก่าหลงตายไปแล้วบวตตกนาก่าหลงบ่ไปเป็นสัตว์ติรฉานประบอกไปเป็นเปรตย่างหน่อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์คันธรรมะผู้ใดทำบ่ดีมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มนุษย์หูหนวกตาบอดบ้าใบเสียจิตย่างพวกเข้าเห็นกับวิบากของกรรมคือคนบอกมีสินหาขันผู้มีสินหาแล้วจีบ่เป็ตยังสั้น เขาพุทธเจ้าเป็นหลับร่องเนี่พ่นที่มีดศีลหาผลศีลหานี่ยที่ว่เป็นเจ้าท่านเพราะนั้นพวกเข้าให้มีดศีลเป็นเยวาวศีเลนะสุกติงยันติผู้จะไปสู่สุกติได้เพราะศีลสีเลนะโพคสัมปทาผู้จะมีโพโขคสมบัติได้เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้เพราะศีลเพราะนั่นเรื่องศีลบ่เม็นของเล็กหน่อยพวกเข้าจัทถายาดงมทั้งหลายควรจะรักษา อย่างไรก็เรื่องท่านเรื่องท่านก็คือการเสียสร ะ, ะโดยมากเหมื่อพระคูบาอาจารย์บินธบาติผ่านนาบ้านเฮ้าในพรรษาเนี่เออพวกลูกหลานไซบาททุกบา้านทุกเพื่อนเนี่ยจะได้ขาดใขั้นบทจําจเป็นอิลีอีล้อกันพยายามไซบัตนจะะได้ขาดนี่เขา่าจะซื้อไซได้มีอ่ยังพ่อถีอไซเฮ้ายู่เฮากินยังไงเขากับไสบาทเพลนอันนี้คือพุธทธศาสนิกชนพุทธมามกะควรจะทําบุญ ทำบุญตักบาทคู่บาอาจารย์พระสงฆ์อันนี้คือท่านคือท่านนี่พูดว่าคนเกิดมาพบใดชาติใดท่าผู้ยินดีในการทำบุญทำท่านเกิดมาพบใดชาติใดสีบกอดบอยากเพราะอันนี้สงฆ์ท่านจะคุ้มคล้อง เ, อเล่าก็ตามอย่างพระพุทธเจ้าเพูนบอกว่าที่เราได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่เพราะโบเมนอันนสงฆ์อย่างอื่นเด้ออันนี้สงฆ์ท่านเด้อันนงาาภาษาวกขึ้นกันภาษาวกแต่ละองค์เท่าเบื้องประวัติเพิ่นกับประกาศทั้งสันขึ้กัน เล่าจะได้เป็นพระสาวกเนี่ยเป็นผู้มีบุญนักซักไยเนี่ยในศาสนาของพระพุทธเจ้าอันในสงในการทำท่านเน๊ะ เ, เรื่องท่านเนี่ยมองขามบ่ได้เฮามีอยูไม่กินอย่างไรให้ทำบุนทำท่ า, ทานมีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยแต่บ่มีบ่ยินดีบ่ทำท่ า, ทานไปเรยเนี่ยเกิดภพนาชาตินานเฮาติดพึ่งผ้าอาศัยอันไหนอันใดเฮาต้องพึ่งผ้ า, าศัยผลท่านของเฮาเน๊ผลศีลของเฮาเน๊ะ นี่แหละอันนี้ก็ขอฝากไว้กับลูกกับหลานทุกขูทุกคนในพันศาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยอยากจะให้พวกเขาเนี่มีท่านมีศิลแล้วก็กรรับกร น, น้องกับไหวพระสวดมนต์เออแล้วก็ทางว่าวเป็นไปได้กันเนี่ยวันเสาร์วันอาววนทิตย์เป็นไปได้กับพ่อพอพอแม่พ่อไปกับพอตาแม่ย่าคือพอเถ่าแม่เถา่าแล้วกับพ่อไปปรับพ่ไปกับพ่อปูแม่ยาพ่อลูกหลานไป ปลูกฝังอุปนิสัยลูกหลานเอาไว้พันเสารวันอาทิตย์ที่วันยุทธของลูกของหลานบอแมนสืบพ่อเสาวาทีกัพ่อกับแ่นไปที่นึงแม่กับแ่นไปที่หนึ่งลูกกับพ่อปันอยู่ในบาดในเฮือนกับบริเฮตยังน่าจะพาไปกราปปูยาตาย่ายไปปลูกฝังอุปนิสัยเอาไว้ต่อไปไพ่ภาคหนาเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก เ, เ, เข า, า, เาเป็นผู้เฒ่าออกไปเลยวได้บาดเขาเป็นปูเป็นตาเขาก็จะได้ถือเป็นตัวอย่างเลย เขาจะถือเข้าเป็นตัวอย่างเออสมัยก่อนพอแม่เข้าเป็นเด็กหน่อยพอแม่ผ้าไปกาบปูกาบยากาบตากาบย่าได้เออบานนี้นี่บ้านที้เข้าก็งขุนผ้าลูกผ้าหลานของเข้าไปกาบพอกาบแม่ของเข้าได้พอพ้นผ้าเห็ดยังสิอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะนั้นอยากจะให้ลูกดีก็ต้องทําดีให้ลูกดูเออยากจะให้หลานดีต้องทาดีให้หลานดูอยากจะให้ลูกสิทธิ์ดีก็ต้องทําดีให้ลูกสิทธิ์ดู เออพอเข้าเป็นผู้ใหญ่เข้าต้องเป็นตัวอย่างให้แกลูกแกหลานมันจึงจะเป็นพ้นดีนะจท่ายญาติโยมแล้วก็กองรับกอนนั่ก็หายไหวพระสวดมนต์ลงปูหลาพันสอนเลยกองรับก่องนั่งกาพุทธโธธรมโมสังโฆนิพานังผู้คากาบวเดกาเพื่อตลกกระน้องวเดกาเพื่อเลนเลนกาเพื่อมักผลนิพพานลงปูพันสอนอย่างสั่นเลยเออแล้วกัเวลาแพ้เมตตากนั่งภาวน่า พอไหวพระจบแล้วกัอาหางสุกิตโตนิตโตโกเข้าวองหยังบ่ได้เข้าก็นึกในใจข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าไปเจ้าต้องการความสุกจังไดผู้อื่นซัต์อื่นวิ่นย่านอื่นทั่วไต่โลกกระฐานขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปรารถนาโดยเถิดให้นึกใน่ใจจังสั้นข้อนถี่มีเมตตาอยู่ใสกับบม่มีผิดมีไผ่บ่มีเวน้นมีไผ่ เพราะเห็ุไดเพราะฮ่อบริคิดจะขาจะแกงเขาได้บริดิดจะเบียดจะบังเขาได้เฮ่อมีแต่เมตตาเมื่อไฮ่าไปยุไสเขาก็มีเมตตากับเฮ้าเฮ้ามีเมตตากับเขาเขาก็มีเมตตากับเฮ้าถ้าเฮ้าไปด่าเขานี่เขาก็ด่าเฮ้าเข้าไปเหตตาเขียวสเขาแค่เหตตาเขียวเฉยเฮ้าเพราะเหตุใดพอเฮ้าไปเหติกับเขาการเฮ้ามีเมตตากับคนอื่น่ะเออคนอื่นก็มีเมตตากับเฮ้าขึ้นกัน ดันขอฝากไว้กับคณะสัตายาธิญญานุ่มลูกหลานเนี่ยวิธีการไหวพระนางภาวนาก็ยังที่ลูกพอได้บอกได้กล่าวอย่างลงตาเป็นตัวอย่างให้ภาวนาสายลงปูหมันของเห่านี่นะอะขอย่ำอบียกว่าสายลงปูหมันของเห่านี่คือสายพระรหันนะคณะสัตายาธิญญานุ่มย่าไปตื่นไปทวงว่าอผู้ใดมาสอนอย่าได้ก็จะแล่นโพวโวุ่นโพโว้พี่เอาไปมาหากคหาเจนไรบ่าแมนเน๊ ให้ยึดแนลแถวของหลวงปู่มันหลวงปู่มันเพิ่นสอนจังไถ่พ่อแม่ผู้บาอาจารย์เพิ่นสอนสอนเผ่าหน้าพุทธโธกำหนดล้มหายใจเข่าหายใจออกพุทธโธนี่แหละจากนั่นก็นให้พิจารณาอย่างที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวทว่บทเชื่อในคำคำสอนของหลวงพ่อที่เบ้ามาือนี่ให้พวกเข้าไปอ่านเบิงเอประวัติหลวงปู่เสาประวัติหลวงปู่มันประวัติหลวงปู่หลาประวัติผูบาอาจารย์ธรรมลิขิตของเพิ่นหรือธรรมเทศนาของเพิ่น เพิ่นสอนจากไหนให้ศึกษาให้ฟังนะแล้วก็นั่งมาประพฤติปฏิบัติลงพอว่าไปแนวแถวเดียวกันนะี่ยนะจากนั้นเห็นบ่ลักหลวงปู่กู้บาอาจารย์หลวงปู่หมันของเข้าเนะี่เมื่อเพิ่นล่วงรับดับขันไปแล้วกระดูกของเพิ่นนะอัธิธฐานของเพิ่นนะได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเข้าได้รู้ได้เห็นได้กราบไหว้สักการะบูชาแล้วก็พ่อแม่กู้บาอาจารย์ทุกองค์ที่เป็นลูกชิดสายหลวงปู่หมันพ่อเพิ่นมรณาภาพพระราชท า, านเพิ่งรประชุมเ พ, เพิ่งเพิ่นแล้วนะ กระดูกของเพิ่นเด็กลายเป็นพระทาตุให้พวกเข้าเด็กกล้าดได้ไหวพวกเข้าควรจะมันใจแล้วว่านี่กระดูกของพระอรหันต์พวกเข้าดเดินตามแนวแถวสายพระอรหันต์สายล้งปูมัดบ่อพิษท่างแล้วก็เชื่อฟังถ้ำคําสอนของเพิ่นปฏิบัติตามลงพร้อมเองน้ามันใจนะสร้างสอนบอกกล่าวลูกหลานทุกู่ทุกคนนะให้มันใจได้เลยว่าพวกเข้าเดินมาถูกท่างแล้วพบนี่ชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคัมศัลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลุงปูหมันของพวกเข้าขอ่อยพวกเข้าดําเนินไปในตามรักธรรมวิในไนและตามรักธรรมคําสอนของเพลินพวกเข้าจะประสบแต่ความสุขความจเจริญ น, นะการพูดการกล่าวสัมมบทนิยกราในเมื่อได้เห็นว่าสมควรกับการเวลาโดยอํานาจพุ่นภาษีรัตนไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์